มีใครอยากจะถามอะไรไหมมีใครอยากจะฟังเรื่องอะไรบ้างก็ได้ถ้าไม่ถามก็อยากจะได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรวันนี้จะให้เป็นอาหารตามสั่งหนึ่งวันการฝึกสติการฝึกสติโอเคสติก็เป็นสิ่งที่ จะคอยควบคุมความคิดความอยากอารมณ์ต่างๆของใจถ้าไม่มีสติก็ใจก็จะเป็นเหมือนคนเสียสติคนเสียสติไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดของตนให้เป็นไปในทางที่เป็นคนเป็นประโยชน์ ปล่อยให้ความคิดคิดไปแบบไม่มีทิศทางออถ้าเป็นเรือก็เหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือเรือมันก็จะไปตามลมตามน้ำใจที่ไม่มีสติก็จะไหลไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่งของอารมณ์ต่างๆนึกอยากจะทำอะไรก็ทำ นึก อ, อยากจะพูดอะไรก็พูดคนเสียสติจึงมักจะทําอะไรไม่เป็นเรื่องเป็นราวพูดอะไรไม่เป็นเรื่องเป็นราวพอไม่มีสติคอยควบคุมคอยกํากับคอยยับยัง้งสติต่างปฏิบัตินี้เป็นสติเพื่อยับยับย้งหยุดหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆ เพราะการปฏิบัติสิ่งที่เราต้องการคือความสงบความนิ่งของใจใจจะนิ่งใจจะสงบได้ต้องมีสติเป็นผู้ควบคุมความคิดปรุงแต่งหยุดความคิดปรุงแต่ง อ, อันนี้คือเรื่องของสติในทางปฏิบัติซึ่งอาจจะต่างกับสติ ในทางโลกทางโลกก็ใช้สติแต่ใช้สติกํากับควบคุมความคิดให้ทํางานทําการให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาเวลาทํางานถ้าไม่มีสติอยู่กับงานงานก็อาจจะเกิดการผิดพลาดได้เช่นถ้ากําลังคิดบัญชีอยู่แล้วไม่ควบคุมจิตให้อยู่กับการคิดบัญชี จิตว่าไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวทําบัญชีก็อาจจะทําผิดใส่ช่องผิดนะแทนที่จะใส่ช่องรายรับไปใส่ในช่องรายจ่ายพอทําบัญชีออกมาก็ผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็นจริงอันนี้ขาดสติในทางทํางานในทางทํางานนี้ต้องมีสติให้รู้อยู่ว่ากําลังจะ เอารายการนี้เข้าสู่ในช่องไหนจะต้องบวกต้องลบต้องคูณต้องหารอย่างไรอันนี้ยังต้องใช้ความคิดปรุงแต่งอยู่เพียงแต่ว่าใช้ไปเพื่อให้ทำงานทำการไม่ให้เกิดการผิดพลาดขึ้นมาแต่สติทางปฏิบัตินี้เราต้องการจะหยุดความคิด ไม่ต้องการให้คิดเพราะความคิดจะไม่ทำให้ใจสงบนั่นเองความคิดก็เป็นเหมือนอการเคลื่อนไหวของรถยนต์ถ้าเราต้องการจอดรถยนต์เราก็ต้องเหยียบเบรกเหยียบไปเรื่อยๆจนกว่ารถยนต์จะหยุดถ้ารถยนต์ยังไม่หยุดถ้าเราปล่อยเบรกมันก็จะไม่หยุดเวลาเราจอดรถเราจึงต้องเหยียบเบรก เยียบไปจนกว่ารถจะหยุดเมื่อรถหยุดแล้วเราถึงปล่อยเบรกได้สติในการปฏิบัติก็เหมือนกับเบรคของรถยนต์เราต้องการเบรกใจเพราะใจของเราไม่เคยหยุดเลยใจของเรานี่คิดปรงแต่งตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับแม้เวลาหลับก็ยังมีการคิดต่อ ความฝันต่างๆนี่ก็เป็นความคิดทั้งนั้นความคิดมันไม่ได้ทําให้จิตได้มีสิ่งที่วิเศษคือความสุขที่ไม่มีความสุขอันใดจะจะเหมือนจะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบเมื่อเราไม่มีความสุขไม่มีความสงบในตัวเราเราเลยต้องออกไปหาความสุข ภายนอกตัวเราแต่ความสุขภายนอกตัวเรานี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เหมือนกับน้ำตาลเคลือบอยาขมเราคิดว่าเรากำหนงอมน้ำตาลอมขนมหวานแต่พอน้ำตาลที่เคลือบอยาขมมันหมดไปมันจางไป ความขมของสิ่งที่เราอมอยู่ขนมที่เราอมอยู่ก็ปรากฏขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันความสุขต่างๆที่เราหาภายนอกใจของเราเนะี่ยความสุขที่ร่างกายความสกความสุขที่เราอาศัยร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมื อ, อเราได้อะไรมาเราก็สุขตอนต้นกัน ดีอกดีใจเฮออ่เอมันไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวไม่กี่วันมันก็หายเหอ่อละซื้ออะไรมาสุข ก, กับมันเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นความสุขที่ได้จากมันก็หมดไปเหมือนกับเราบีบบีบน้ำมะนาวน้ำส้มออกจากเนื้อบีบไปปั๊บเดียวเดี๋ยวน้ำก็หมดหมดเนาเนื้อ เนื้อส้มก็กลายเป็นกากส้มไปก็โยนทิ้งไปสิ่งต่างๆที่เราได้มาเวลาได้มาใหม่ๆมันก็ให้ความสุขกับเราเช่นถ้าไปซื้อมือถือเครื่องใหม่มาตอนที่ซื้อมาใหม่ๆดีใจตื่นเต้นเฮเล่นกับมันสักพักหนึ่งเดี๋ยวเบื่อละเบื่อแล้วทีนี้ก็ไม่มีรสชาตินะ ไม่ดึงดูดเหมือนกับอตอนที่ซื้อมาใหม่ๆต้องไปซื้อเครื่องใหม่ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วถ้ายังเครื่องใหม่ยังไม่ออกก็รอไปก่อนเดี๋ยวพอมีออกก็จองกันเลยเห็นจองกันบางทีเข้าคิวเข้าแถวกันตั้งแต่เที่ยงคืนอพอรอให้ร้านเปิดเนี่ยจะได้ซื้อเครื่องมาเล่น มาให้ความสุขนี่คือลักษณะของความสุขต่างๆที่เราหากันจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราสรุปได้ก็คือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผพะ้ะที่เราใช้ร่างกายใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันแต่เป็น เครื่องมือและเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดมีการดับพอเวลาได้สิ่งที่เราชอบมาพอมันจากเราไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึง ส่งไปค้นหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขของนักบวชนักบวชนี่เขาเอาเวลามาสร้างสติกันมาเจริญสติกันเพราะถ้ามีสติก็จะสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้พอใจสงบก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริง ที่มีอยู่ภายในใจของเราเองที่แท้จริงเพราะว่ามันไม่หมดพอเราทำมันขึ้นมาแล้วเราสามารถทำมันให้มันอยู่ไปเรื่อยรักษามันไปได้เรื่อยนะมันก็เลยทำให้ไม่มีความทุกข์ตามมาแต่สิ่งต่างๆที่เราหามาภายนอกใจเรานี้เราไม่สามารถ ควบคุมรักษาให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดนั่นเองเราจึงต้องมาร้องห่มร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันเวลาเราต้องพัดพากจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบพัดพากจากบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราชอบพัดพากจากเหตุการณ์ที่เรารักเราชอบ อันนี้เราไม่สามารถที่จะไปยับยั้งการพัดพรากจากกันได้เพราะนี่คือธรรมชาติของโลกนี้เป็นเหมือนกระแสน้ำที่มันไหลไปเรื่อยๆเราไม่สามารถยับยั้งกระแสน้าได้เราไม่สามารถยับยั้งเหตุการณ์บุคคลสิ่งต่างๆได้เขาก็ไหลไปเหมือนกับกระแสน้า เข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเวลาเข้ามาเราก็ดีใจเวลาเข้าไปเราก็เสียใจเราก็ลอยต้องไปคอยหาอันใหม่พออันเก่าไปก็ต้องไปหาอันใหม่ได้อันใหม่มาเดี๋ยวอันอันใหม่ก็ไปอีกเพราะว่าไม่มีอะไรจะอยู่คงเส้นคงมาอยู่กับเราเป็นเหมือนเดิมตลอดเวลาให้ความสุขกับเรา ตลอดเวลานั้นเองคนฉลาดทั้งหลายนักปรารถนทั้งหลายท่านจึงไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกใจท่านไปหาความสุขภายในใจที่ท่านสามารถควบคุมรักษาให้อยู่กับใจไปได้ตลอดนี่คือความสุขภายในใจ เกิดจากการทำใจให้สงบใจจะสงบ ก, ก็ต้องมีเบรกของใจคือสตินี่เองสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะทำอะไรให้เป็นผลได้ขึ้นมาต้องมีสติเป็นผู้นำพระพุทเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาหัดจเจริญสติกัน มาหยุดความคิดปรุงแต่งกันเพราะถ้าเราหยุดความคิดปรุงแต่งได้ใจจะนิ่งจะสงบแล้วจะมีความสุขทําให้เราไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกอีกต่อไปไม่ต้องไปหาลาบยศสารเสริญไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ จากเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เราหาความสุขด้วยการหยุดความคิดปรุงแต่นั่งสมาธิแต่ความสุขที่เราได้จากการเจริญสตินี้ยังเป็นความสุขที่ชั่วคราวอยู่ยังไม่ถาวร น, นอกจากสติแล้วเรายังต้องมาเจริญปัญญาอีกขั้นหนึ่ง เราถึงจะสามารถทำให้ความสงบภายในใจนี้อยู่กับเราไปอย่างถาวร อ, อยู่กับเราไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดและจิตใจของพวกเรานี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายเหมือนกับร่างกายร่างกายเราใช้มันหาอะไรมาได้แต่พอมัน ตายไปของต่างๆที่เราหามาได้กับร่างกายก็หมดสภาพไปกลายเป็นของคนอื่นไปหมดอันนี้คือความแตกต่างระหว่างความสุขทางใจกับความสุขนอกใจความสุขนอกใจเป็นความสุขที่ชั่วคราวและเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ เวลาที่มันหมดไปพวกเราทุกวันนี้ทุ ก, กันเศร้าโศกเสียใจกันก็เพราะเราสูญเสียความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราได้มานั่นเองถ้าเราถ้าเรามีความสุขภายในเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขภายนอก เราไม่ต้องหาความสุขภายนอกเราก็จะไม่เจอความทุกข์ความความสุขภายนอกนี้มันมีความทุกข์เป็นของพว่วงมาถ้าเป็นเหรียญก็เป็นเหรียญสองด้านมีหัวมีก้อยอมีสุขมีทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันจะมีสุขแล้วมันก็จะมีทุกข์เสมอลาบยศสารเสนนี่ มีสุขมันก็จะมีทุกเวลาเวลาได้ลาบก็สุขเวลาเสียลาบก็ทุกเวลาได้ยศก็สุขได้ตําแหน่งก็สุขพอเสียตําแหน่งก็ทุกเวลาได้สรรเสริญได้รางวีรงัลก็สุขเวลาไม่ได้ก็ทุกเนีตอนนี้แข่งกีฬากันใครได้เหรียญทองก็โอ้ดี อ, อกดีใจ คนไม่ได้ก็เสีย อ, อกเสียใจอันนี้คือความสุขทางโลกความสุขภายนอกใจจะต้องมีความทุกข์ตามมาเสมอถ้าไม่อยากจะทุกข์อย่าเพิ่งถามตอนนี้ไม่ใช่ชเวลาถามะนะเดี๋ยวต้องรอรอให้พูดให้มันจบเป็นเรื่องเป็นราวห้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาถามได้ ถ้าถามแล้วเดี๋ยวมันจะเสียกระบวนการการพูดเรื่องมันจะมันจะมันจะถูกหักเหไปยังนั้นฟังไปก่อนมีอะไรก็รอไปก่อนเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวมีช่วงเวลาถามตอบปัญหาก็ถามได้ตอนนั้นตอนนี้ฟังไปก่อนอนี่คือสติ ที่เราต้องมาฝึกกันวิธีฝึกสติฝึกอย่างไรก็คือเราต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจเพื่อจิตใจจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นนั่นเองสิ่งที่เราใช้ผูกมัดจิตใจหรืออารมณ์ที่เราใช้ผูกมัดจิตใจนี่ทางภาษาพระเรียกว่ากรรมฐานที่ กรรมฐานคืออารมณ์สี่สิบชนิดด้วยกันกรรมฐานสี่สิบนะหรือวัตถุหรือสิ่งสี่สิบอย่างสิ่งสี่สิบชนิดที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจนะถ้าใจเป็นเหมือนเรือ เ, เวลาเราจะให้เรือไม่ลอยไปตามกระแสน้ำเราต้องทำยังไงถ้ามีท่าน้ำเราก็ผูกเอาเชือกผูก ไว้กับท่าน้ำเอาเชือกผูกเรือไว้กับท่าน้ำเรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้าถ้าไม่มีท่าน้ำก็ต้องทอดสมอเรือพอทอดสมอเรือเรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำสมอเรือหรือท่าน้ำนี่ก็เป็นเหมือนกรรมฐานของเรือกรรมฐานของใจก็มีอยู่สี่สิบชนิด ที่พระพุทธเจ้าส่งขนพบว่าสามารถที่จะหยุดใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เราสามารถเลือกใช้กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งแล้วแต่เหตุการณ์ที่อาจจะต้องทำให้เราใช้กรรมฐานอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกับเรือถ้าเรือจอดในที่ไม่มีไม่มีท่าก็ต้องทอดสมอ ถ้ามีท่าเรือเรือเขาก็จะผูกเอาเชือกผูกไว้กับท่าเรื อ, รอกรรมฐานสี่สิบนี้ก็เหมือนกันเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับวาละโอกาสถ้าตามปกติกรรมฐานที่เราใช้ควบคุมความคิดนี้ก็เราจะใช้พุทธานุสติ คือให้เราเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเลิกถึงพระพุทธคุณมีสองวิธีเราจะสวดบทพุทธคุณไปในใจก็ได้อิติปิโสภักวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจจรณะสัมปันโนสุกโตโลกาวิทูสวดไปสวดไปจบหนึ่งแล้วก็สวดไปจบที่สองสวดไปเรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆสวดไปจนกว่าใจจะหยุดคิดถ้าเราหยุดสวดแล้วใจไม่คิดเราก็ไม่ต้องสวดก็ได้นี่วิธีหนึ่งก็คือใช้พุทธานุสติจะใช้การสวดก็ได้จะใช้การบริกรรมเพียงคาเดียวก็ได้เช่นพุทธโธพุทธโธไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธานุสติเหมือนกัน อาจจะง่ายกว่าเพราะบางที่เราจําไม่ได้บทสวดพุทธคุณเราก็เอาพุทโธพุทโธไปแต่ต้องทํามันแบบเป็นกิจจลักษณะแบบเอาจริงเอาจังไม่ใช่เป็นของเล่นๆถ้าจะพุทโธก็ต้องพอลืมตาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นจากที่นอนมาก็าพุทโธไปเลย อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องที่ไม่สำคัญเรื่องที่ไม่ต้องคิดเรื่องที่ต้องคิดก็ปล่อยให้คิดได้เช่นวันนี้วันอะไรต้องไปทำอะไรพอรู้ว่าเป็นวันอะไรต้องไปทำอะไรก็ต้องไปเตรียมตัวระหว่างที่เตรียมตัวก็ไม่ต้องคิดก็พุทโธพุทโธไปอาบน้ำก็พุทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปแน่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไป รับประทานอาหารกับพุโทโธไปเดินทางไปกับพุโทโธไปจนกว่าจะไปถึงที่เราต้องไปทำอะไรต้องใช้ความคิดตอนนั้นเราก็หยุดพุดโทโธแล้วก็ใช้สติกํากับอยู่กับการทำงานของเราไป น, นี้ก็คือเรื่องของการฝึกสติเพื่อหยุดความคิดต่างๆ ทีนี้บางทีมันเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเรามีการเปลี่ยนอิริยาบถมีการเปลี่ยนบทบาทเช่นพอเราว่างเราอยากจะนั่งสมาธิเราก็นั่งหลับตาทีนี้เราจะมาใช้อานาปนานสติก็ได้ถ้าเราเมื่อยกับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธมาทั้งวัน ทีพอมานั่งอยากจะหยุดพุโทโธแต่ใจยังคิดอยู่ก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้จ่ออยู่ที่จุดเดียวจุดที่ลมเข้าออกลมที่แตะสัมผัสกับร่างกายก็คือที่ปลายจมูกตะเราจะรู้สึกว่าลมจะเข้าตรงนั้นออกตรงนั้นแถวบริเวณปลายจมูก ก็จดจอ่อเพ่งดูอยู่ตรงนั้นอันนี้เราก็เปลี่ยนกรรมาฐานได้จากพุโทโธมาเป็นอาณาปณะสติดูลมหายใจเข้าออกนี่บางวันเราจะดูแต่ใจมันยังไปผูกพันมีเรื่องมีราวกำลังโกรธคนนั้นโกรธคนนี้อยู่ไปทำงานแล้วก็ไปทะเลาะกันกลับมาบ้านจะนั่งสมาธิ มันก็ม่อยอมอยู่กับพุโทโธไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกรรมฐานให้มันใช้เมตตาภาวนาแทนเมตตาก็คือต้องให้อภัยสัพเพสัตตาเวลาหนตุต้องใช้เมตตามาพิจารณาสอนใจว่าเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วผิดถูกมันก็ผ่านไปแล้ว จะมาโกรธแค็งโกรธเคืองมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีตตาจะมาทำให้นั่งสมาธิไม่ได้ทำใจให้สงบไม่ได้ก็ให้อภัยกันไปดีกว่าอย่าจองเวนจองกรรมกันแล้วใจเราจะได้เยน็นจะได้หายร้อนจะได้สงบได้นี่นี่ก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึง่งพรมวิหารสาีบางทีก็ต้องกรุณา บางทีก็ต้องอใช้มุดิต า, าบางทีก็ต้องใช้อุเบกข า, อ, าอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์หรือบางทีเวลาจะนั่งสมาธิก็เกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆารสกาแฟรสขนมอะไรอย่างนี้ก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เราจะรับประทาน ว่ามันไม่น่ารับประทานมันไม่น่ารับประทานตอนไหนตอนที่มันอยู่ในปากเราและ้วตอนที่กำลังเคี้ยวกำลังอร่อยอร่อยอยากจะดูหน้าตามันหน่อยก็คายมันออกมาเ้วค่อยเราค่อยตัดเข้าไปใหม่นึกถึงภาพของอาหารของขนมที่เรากำลังเคี้ยวอยู่อย่าไปดูขนมที่อยู่ในจานยิ่งดูยิ่งหิวยิ่งอยากกิน ถ้าไม่อยากกินคายคายขนมเนื้ออาหารที่เคี้ยวอยู่ในปากออกมาใส่ช้อนใส่จานแล้วก็ตักเข้าไปกินใหม่มันจะกินไม่ลงมันเห็นรูปของอาหารที่ไม่น่าสวยงามไม่น่ากิน อ, อันนี้ก็เป็นวิธีแก้ความหิวความอยากเวลาจะนั่งสมาธิแล้วไปคิดถึงข น, นมคิดถึงอาหารนั่งไม่ได้ อันนี้ก็คือกรรมฐานเหมือนกันนะาหาเลยปฏิกูละสัญญาแล้วบางทีก็ต้องเปลี่ยนเพราะใจเราเป็นโรคเหมือนกับร่างกายเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวปวดแขนปวดขาก็ต้องใช้ยาต่างชนิดกันปวดท้องก็ต้องใช้ยาแก้ปวดท้องปวดหัวก็ต้องใช้ยาแก้ปวดหัว น, นี่คือกรรมฐานที่เราต้องใช้ สลับผัดเปลี่ยนไปตามวาระโอกาสตามความเหมาะสมแล้วแต่ว่าใจมันจะมีปัญหากับเรื่องไหนก็ต้องใช้กรรมฐานที่เหมาะสมถึงจะสามารถที่จะนำมาแก้ได้โดยดักนี้จะมีเขาเรียกว่าอารักขากรรมฐานกรรมฐานที่จะรักษาใจมีอยู่สี่ข้อด้วยกัน ข้อที่หนึ่งก็พุทธานุสติถ้าเวลาเราเกิดความเสื่อมศรัทธาเกิดความเกียจค้านไม่ไกยันเราก็อาจจะนึรกถึงพระพุทธเจ้าน่รักถึงพระธรรมคำสอนหรือน่ารกถึงพระอริยสงสากดูประวัติอันดีงามของท่านว่าท่านก็่าจจะได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ต้อง มีความอดทนมีความมุมมนะมีความภาคเพียรอ่พอเรามีความท้อแท้เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติเราก็คิดอย่างนี้อพอคิดอย่างนี้มันก็จะทำให้เราเกิดกำลังใจขึ้นมา อ, อันนี้ก็เราก็ต้องเปลี่ยนเวลาที่เรามีความเบื่อหน่ายไม่อยากจะปฏิบัติใ น, นเวลาที่เราเกิดความคึกขนองคึกเขิม เกิดความมั่นใจในตัวเองก็ให้ระลึกถึงความตายออมันก็จะได้หายคึกหายขนองมา เ, เดี๋ยวร่างกายเ็าตายแล้วออมานานุสตออิก็จะทำให้ใจระงับการคึกขนองอะไรต่างๆได้โออดยเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมา เ, ออเห็นคนนั้นสวยเห็นนั้นหน้าตาดีอยากจะให้ได้เขามาเป็นแฟน นั่งสมาธิก็เห็นแต่หน้าตาเขาใจก็ไม่สงบก็ต้องพิจารณาอสุภะของเขาหน้าตาเ็าสวยแต่ก้นเขาสวยป่าอย่าไปดูแต่หน้าตาดูก้นมั่งก็ได้อย่าไปดูข้างนอกอยู่ดูข้างในบ้างก็ได้ข้างนอกก็มีหนังหุ้มหออยู่ข้างในก็มีอวัยวะต่างๆเต็มไปหมดมีกระโหลกศีรษะมีโครงกระดูก มีตับไตไ ส, ส้พุงมีอะไรต่างๆแล้วดูตอนที่ร่างกายหมดลมหายใจแล้ว อ, อย่างน่าดูอยู่หรือเปล่าถ้าแฟนเราไม่มีลมหายใจแล้วจะเก็บเข้าไว้อยู่กับเราในบ้านหรือเปล่าหรือยกให้สับปเปล่าไป อ, อันนี้ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันที่จะระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านต่างๆของใจ ที่ทําให้ใจไม่สงบให้เราก็ต้องสังเกตดู ว, ว่าตอนนี้ใจของเราเป็นอย่างไรถ้าใจไม่พยศใจแบบสบายสบายแต่ยังชอบคิดด้วยเปือ่อยอันนี้เราก็ใช้พุทธโธไปก็ได้ใช้ใช้การบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอเพื่อไม่ให้มันไปคิดด้วยเปือ่อยหรือถ้าเราไม่อยากจะบริกรรมเมื่อย ก็ลองใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปร่างกายกำลังทำอะไรก็เฝ้าดูไปถ้าเราดูร่างกายมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เช่นกาลังแปลงฟันก็ให้อยู่การแปลงฟันอย่างเดียวออกำลังล้างหน้าก็อยู่การล้างหน้าออกำลังทาคิว้วทาปากกำลังทำอะไรอยู่กับร่างกาย กาให้เฝ้าอยู่กับงานที่เราทําอยู่เพียงอย่างเดียวมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่ากายกับตาสติการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายนี่คือนี่คือเรื่องของการฝึกสติที่เราต้องทําอย่างต่อเนื่องถ้าเราต้องการหยุดความคิด ถ้าเราต้องการความสงบของใจเราต้องหยุดมันถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดมันได้นั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ถ้านั่งสมาธิแล้วจิตยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ไม่ยอมอยู่กับพุทธโธไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเข้าออกมันก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้เมื่อไม่สงบก็ต้องไปหาความสุขภายนอก พอไปหาความสุขภายนอกก็จะต้องไปเจอความทุกภายนอกเพราะว่ามันมีตั้งแต่เริ่มต้นพอเริ่มหามันก็ทุกแล้วอพออยากได้ใจก็หงุดหงิดนำคาญใจขึ้นมาแล้วมีความกระสรับกระส่ายกังวลกระวายอยากจะได้แล้วพอได้มาก็ต้องมาคอยกังวลกระวายกังวลกับการดูแลรักษามนันอีก ได้มาแล้วก็กลัวมันหายกลัวมันจากเราไปก็ทุกข์อีกแล้วดูแลยังไงพอถึงเวลามันจะจากมันก็จากเราไปอยู่ดีจากไปก็ทุกข์อีกนั้นการไปหาความสุขภายนอกใจนี้เป็นการไปหาความทุกข์โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะเราไม่เคยคิดกันเราคิดว่าเรากําลังไปหาความสุขกัน แล้วเรากลับต้องมาถูกมันสอบกับโดยไม่รู้ตัวเวลาที่เราร้องห้ผมร้องไห้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้แสดงว่าเรากําลังทุกข์กับมันแล้ะทุกข์เพราะว่าเราอไปอยากให้มันอยู่กับเราดีกับเราพอมันไม่อยู่กับเราไม่ดีกับเราไม่ให้ความสุขกับเราเราก็จะทุกข์กันะ เราจึงต้องพยายามฝึกสติให้มากๆเพื่อที่เราจะได้ทาใจให้สงบแล้วเราจะมีความสุขอยู่คนเดียวได้อยู่โดยไม่มีอะไรได้ไม่ต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆที่เรามีกันอยู่นี่มีเท่าที่จำเป็นก็คือปัจจัยสี่เท่านั้นเองมีอาหารไว้รับประทานมีเครื่องนุ่งห่มพอประมาณ พอเท่าที่ความต้องการของร่างกายมีที่อยู่อาศัยพอประมาณพอหลบแดดหลบฝนได้ไม่จาเป็นจะต้องเป็นเข้ า, หารหัสใหญ่โตไม่ต้องมีมาตรการควบคุมป้องกันเพราะจะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะต้องป้องกันถ้าบ้านไม่มีข้าวไม่มีของไม่ต้องมีประตูก็ได้ไม่มีใครมาเอาลรา ยงศาลาหลังนี้ไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างไม่มีใครมาขโมยเข้าไม่ขโมยของเพราะมันไม่มีของอะไรที่ขโมยอยากจะได้ถ้าอยู่แบบแบบแบบอยู่กับสิ่งที่จำเป็นจริงๆปัจจัยสีนี้จะไม่มีขโมยมาถ้าใช้ของแบบถูกๆด้วยยิ่งไม่มีใครอยากได้เสื้อผ้าถูกกับเสื้อผ้าแพงมันก็เหมือนกันละมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกัน บ้านแพงกับบ้านถูกมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันยางคนที่มีความสุขภายในใจแล้วจะไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆภายนอกจะอยู่อย่างสมมถะเรียบง่ายพระพุทธเจ้าเคยอยู่ในวังมาก่อนมีปราสาทต้องสารางดูวยดูพอมาบวชพอมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็มีสมบัติแค่แปดชิ้นเท่านั้นเองมีอัถฐบริขาร มีบาดไว้สำหรับหาอาหารบินธบาอมีผ้าไตาจีวรสามผืนผ้าสามผืนไว้สำหรับนุ่งหม่มมีมีดกรไว้ปองผมปองหนวดมีเข็มกัดได้ไว้สำหรับเย็บปะจีวรที่ขาดมีประคตเอวคือเข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้นแล้วก็มีที่กรองน้ำสมัยก่อน น้ำจะใช้น้ำใช้น้ำดื่มนี่จะตักมาจากลําทานนาห้วยก็อาจจะมีตัวสัตว์ก็ต้องใช้ที่กรองน้ําตักก็จะตักเอาแต่น้ําขึ้นมาไม่เอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยนี่คือสมบัติของของผู้ที่มีความสุขภายในมีแค่นี้ก็พอที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามโคนไม้เอาใบม้งใบไม้กิ่งไม้มาทําเป็นเพิง พอกันแดดกันฝนได้ก็อยู่ได้นะหรือนม้นก็ไปอยู่ตามถ้าตามเงื้อผาตามเรือนร้างเนี่ยนี่แหละคือสมบัติของผู้ที่มีความสุขภายในไม่จำเป็นจะต้องมีสมบัติภายนอกเมื่อไม่มีสมบัติภายนอกก็ไม่ต้องมีภาระที่จะต้องมาคอยกังวลมาคอยดูแลรักษาถ้ามัน พังไปเนื้อหายไปก็หาใหม่ได้ง่ายเนี่อยู่ในป่าใบไม้เต็มไปหมดกิ่งไม้เต็มไปหมดนผ้าสมัยก่อนก็หาจากป่าช้าที่เล้วเรียกว่าคําว่าผ้าป่าเนี่ยก็คือผ้าป่าช้านี่เองสมัยก่อนผ้าไปหาผ้าจากป่าช้าทําไมไปหาที่ป่าช้าเพราะสมัยก่อนเขาไม่เผาศพเขาไม่ฝังศพ เอาเอาศพหอผ้าแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าอให้เนา่าให้มันเน่าเปื่อยผุพังไปพอร่างกายผุพังไปผ้ายังยังดีอยู่ยังไม่ผุพังพระก็ไปเก็บผ้าห่อศพนั้นมาจัดเย็บเป็นจีวรมาซักมาย้อมก่อนทําความสะอาดก่อนเมสะอาดแล้วก็มาตัดมาเย็บะ เป็นผ้านุ่งห่มของพระผ้าผ้าของพระก็มีสามผืนผ้านุ่งผืนหนึ่งเหมือนซลโลอีกผืนก็เป็นผ้าห่มคือผ้าจีวรอีกผืนก็เป็นผ้าห่มแต่หนาสองชั้นอันนี้ไว้สาหรับกันหนาห่มกันหนาเวลาหน้าหนาวก็มีสามผืนเวลาไปไหนถ้าจะเอาไปติดตัวไป ผ้าที่ผ้าไหลนี่แหละที่โยมเห็นเวลาพระทำพิธีแล้วมีผ้าผ้าบนบ่านี้เป็นผ้าห่มกันหนาวที่ท่านต้องเอาติดตัวไปเพราะเมื่อสมัยก่อนถ้าไปอยู่ในป่าไปวางไว้ที่ไหนอาจจะหายได้ท่านก็เลยบังคับให้พระเวลาไปไหนให้เอาผ้าสามผืนนี่ติดตัวไปให้รักษาจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายไปตามหาผ้าผ้าเวลาถูกขโมยไป ก็เลยต้องมีผ้าผ้าบ่าเวลาทําพิธีเห็นไหมอันนั้นผ้าผืนที่สามมีผ้านุ่งผืนตอนนี้มีแค่สองผืนเพราะตอนนี้ไม่มีพิธีแล้วสมัยนี้มีที่ปลอดภัยมีกุฏิเใส่กุญแจได้ก็เลยไม่ได้เอาไม่ต้องเอามาด้วยแต่ถ้าไม่อยู่ในที่ไม่ปลอดภัยไม่แน่ใจว่าจะถูกลักขโมยหรือไม่ก็ต้องเอาติดตัวไป ถ้ามีความสุขภายในแล้วไม่ต้องมีอะไรมากภายนอกอาหารก็รรับประทานวันละครั้งเดียวก็พอใจไม่หิวที่เรารับประทานกันหลายครั้งนี้ไม่ใช่เพราะร่างกายหิวใจหิวร่างกายได้อาหารพอแล้วแต่ใจยังอยากรับประทานอยากหาความสุขจากการรับประทานก็เลยรับประทานกันมากเกินความต้องการของร่างกาย ทำให้ร่างกายมีน้ําหนักเกินแล้วก็มีโครคภัยไข้เจ็บตามมาอีกเราเรากินกันเพื่อตายไม่ได้กินกันเพื่ออยู่กินกันเพื่อฆ่าตัวเราตายกินแล้วก็สร้างโาครคภัยไข้เจ็บกันขึ้นมาโรคเบาหวานโรคไขมันอุดตันโรคความดันเมาจากเรื่องของการกินมากเกินไปเพรากินมากๆก็มีเรื่องของเขาอีก น้ำหนักมากเกินเข่าก็รับน้ําหนักไม่ไหวก็เข่าเสื่ออีกเดี๋ยวต้องไปผพาเขา่าพาเปลี่ยนเข่ากันอีกเนี่ยกินเพื่อมาสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวแต่มันทำไงมันเมื่อไม่มีความสุขมันก็ต้องกินกินแล้วมันก็สุขนี่เกิดวิธีหนาะความสุขของคนที่ไม่มีความสุขภายในใจต้องคอยกินกันอยู่เรื่อยๆ ว่ามัเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาความสุขเนอ่ยนี้ก็เลยทําให้โลกนี้เปิดมีปัญหามากมายกลายกองขึ้นมาต้องมีหมอมีโรงพยาบาลมีอะไรเยอะแ ย, ยะไปหมดยิ่งเจริญยิ่งมีเรื่องยิ่งมากขึ้นไปใหญ่ยิ่งกินมากยิ่งใช้มากยิ่งมีปัญหามากปัญหาขยะปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ย ตามกันมาเป็นขบวน เ, เพราะเรื่องของการไม่มีความสุขในตัวเรานี่แหละเลยต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกก็ เ, เลยมีวิธีการใช้ทรัพยากรต่างๆแบบกินทิ้งกินขว้างกันยนะอยู่นี่สมัยก่อนเขาไม่ทิ้งภาชนะที่เขากินกันหรอกมีัญญนะเขากินเส่กระว่าล้างเก็บนมีถ้วยมีชามสมัยนี้ยุคแบบา กินทิ้งกินขว้างกันสะดวกรวดเร็วทันใจอยากจะกินก็ไม่ต้องไปหาถ้วยหาจาน ก, กินเสร็จก็ขี้เกียจล้างก็ไม่ต้องล้างที่มันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เขาว่าตามชายหาต่างๆนี่เวลาพายุมาเสร็จนี่ชายหาดนี้จะมีขยะเต็มไปหมดเลยมี พาสติกอะไรต่างๆของที่เรากินเราใช้กันแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลลงไปตามแม่น้ำลำธารไหลออกไปทะเลแล้วพอพายุฝนมามันก็พัดกลับเข้าฝัง่งเต็ไมไปหมดต่อไปเราจะอยู่บนกองขยะกันเพราะไม่รู้จะเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนขุดแล้วกบนล้วฝังมันก็จะไม่มีที่ขุดที่กบกันต่อไปนี่คือ เรื่องของปัญหาที่เราสร้างกันขึ้นมาเพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขที่ที่จะทำไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาก็คือการฝึกสติซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายแต่ทำยากง่ายก็คือเราค้นเราทำได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราไม่ทำกันเท่านั้นเองนี่ยของมันยมันง่ายจะตายไปพุโทโธคำเดียว พอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องคิดอะไรไปคิดทำไมให้วุ่นวายใจแบบเปล่าๆคิดพุดโทโธแล้วใจจะว่างจะเย็นจะสบายพอคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็หนัก อ, อกหนักใจเหมือนแบกภูเขาไว้ทั้งทั้งภูเขาในใจหนัก อ, อกหนักใจกับคนนั่นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าพุโทโธพุธโทโธไปได้เนี่ยเบา อ, อกเบาใจใจจะว่างจะเย็นจะสบายทํามันง่ายคําว่าพุโทโธคำเดียวแล้วทําได้ในทุกอิริยาบถไม่จําเป็นจะต้องมานั่งหลับตาขัดสมาธิอยู่ในอิริยาบถใดกําลังทําอะไรอยู่ที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุโทโธพุธโทโธไปถ้ามันจะคิดถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ถ้ามันว่างแล้วก็ไม่ต้องคิด ไม่ต้องพุโทโธถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ว่างมันเริ่มคิดปุงแต่งเริ่มหนัก อ, อกหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ก็รีบพุโทโธไปเถิดเดี๋ยวก็จะเบา อ, อกเบาใจขึ้นมาเองจะสบาย อ, อกสบายใจขึ้นมาถ้าแต่ถ้าอยากจะให้มันสงบเต็มที่และให้ความสุขเต็มที่ก็ต้องนั่งเฉยเฉยเพราะถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวยังทําอะไรอยู่ใจก็เป็น ยังต้องทำงานอยู่เพราะการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายนี้เป็นการกระทำของใจเองใจเป็นผู้สั่งใจต้องสั่งให้ร่างกายยกแขนยกขายกมือต้องทำนูน่นทำนี่นี่ใจเป็นผู้กำกับถ้าอยากจะให้ผู้กำกับพักผ่อนก็ต้องหยุดหยุดการแสดงทางร่างกายให้ร่างกายนั่งเฉยๆ พอร่างกายนั่งเฉยๆผู้กากับคุใจก็ไม่ต้องมาคอยสั่งให้ทํานูน่ทนทํานี่ทีนี้ก็มากำกับใจของตัวเองให้หยุดเท่านั้นเองคือให้ดูลมหายใจเข้าออกไปหรือให้พุโทโธพุโทโธไปถ้ามีสติที่เราได้ฝึกมาตั้งแต่ตื่นเนี่ยพอมานั่งมันจะปั๊บเดียวห้านาทีก็สงบได้เพราะมันจะไม่คิดอะไรพอให้นั่งมันก็ บอกให้มันพุโทโธมันก็จะพุโทโธอย่างเดียวให้มันดูลมมันก็จะดูลมอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าสู่ความสงบได้ห้านาทีรับประกันได้ถ้ามีสติไม่คิดอะไรพออยู่กับลมต่อเนื่องห้านาทีก็สงบพุโทโธต่อเนื่องสักห้านาทีก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขดีกว่าได้เงินน้อยล้านพันล้านดีกว่าได้ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี คิดดก่าจะได้ร้อยล้านพันล้านนี่เหนื่อยแค่ไหนก่าจะได้เป็นนายกเขาท่หมืนตีนี่เหนื่อยแค่ไหนสู้มาพุทโทพุทโทห้านาทีดีกว่าได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขได้จากเงินร้อยล้านพันล้านได้ความสุขที่ดีกว่าจากการเป็นนายกได้ความสุขที่ดีกว่าจากได้เป็นแชมป์เอชเชนเกมนี่นะของดีๆมีอยู่ในตัวเรา ที่สามารถทําได้ด้วยกันทุกคนแต่เราไม่ทํากันเอเพราะเราถูกความหลงหลอกให้เราว่าความสุขอยู่ที่ร้อยล้านพันล้านความสุขอยู่ที่เก้าอี้นายกนความสุขอยู่ที่แชมป์เอเชียนเกมเออไปดูไปวุ่นวายกันเนี่ยมาเนี้ยตอนเนี้ยที่ที่แข่งขันกันเนี่ยวุ่นวายกันแข่งกันแย่งกันดีใจเสียใจกันไปเอ อันนี้แล้วเดี๋ยวก็หมดเยอะได้มากับมาบ้านสองวันก็หมดละความสุขที่ได้จากเหรียญทองนั้นเดี๋ยวก็หมดนะความสุขที่ได้เป็นนายกก็ดีใจแค่วันที่ได้เป็นนหลังจากนั้นก็เครียดกับเรื่องของการรักษาเก้าอี้ต้องคอยดูแลรักษาเก้าอี้ได้เงินมาก็สุขวันแรกที่ได้มาแล้วก็ต้องมาเครียดกับการดูแลรักษาเงินที่ได้มา เ่มันไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบเลยนะนี่คือความสงบความสุขในขั้นต้นนี้ยังเป็นขั้นแบบชั่วคราวอยู่พอเข้าไปในสมาธิก็สงบเย็นสบายแต่พอออกจากสมาธิมาก็มาวุ่นวายใหม่ถ้าไม่มีสติมาคอยกำกับสติบางทีก็เผลอได้ พอเผอปั๊บก็ไปหนัก อ, อกหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ขึ้นมาได้พออยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้พอก็ไม่เป็นนางใจอยากก็หนัก อ, อกหนักใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าได้ค้นคว้าวิธีที่จะทำให้เราหายหนัก อ, อกหนักใจโดยที่ไม่ต้องใช้สติก็คือให้ใช้ปัญญาแทน ปัญญาก็คือให้เรารู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่เราไปหนักหกหนักใจด้วยว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นอย่างนั้นเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเหมือนดินฟ้าอากาศที่มันเป็นของมันอย่างนั้นใครไปควบคุมดินฟ้าอากาศได้บ้างใช่ไหมเราต้องมองว่าลาบลศสัตว์เสริญรูปเสียงกลิ่นลดที่เราไปอยากนี่มันก็เหมือนดินฟ้าอากาศ อย่าไปอยากให้มันเป็นตามความต้องการของเราว่ามันจะทำให้เราผิดหวังมันจะต้องทำให้เราหนักอกหนักใจเวลาที่มันไม่เป็นไปตามที่เราอยากเนี่ยถ้าบอกมันเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือไม่อยู่ภายใต้อำนาจของอัตตาอัตตาคือเราเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอ บางทีมันก็เปลี่ยนไปบางทีมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการพอมันไม่เป็นไปเราก็ทุกข์พอมันไม่เที่ยงมันไม่มันไม่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยถ้ามันไม่เปลี่ยนไปมันไม่เปลี่ยนตรงกับความต้องการของเราเราก็ทุกข์แต่ถ้ามันเปลี่ยนตรงกับความต้องการของเราเราก็สุขแต่สุขเดียวเดียวเดียวมันก็ต้องเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ต้องการนี่ นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราต้องใช้ปัญญาซ้อนใจว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าอยากให้มันเที่ยงก็จะทำให้เราทุกข์เนี่ยแล้วก็เราจะไม่สามารถทำให้มันเที่ยงได้เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราไปเสมอบางเวลาเราก็ควบคุมได้บางเวลาเราก็ควบคุมไม่ได้ เช่นร่างกายเราบางเวลาก็ควบคุมได้แต่ตอนนี้ควบคุมให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ตอนนี้แต่เดี๋ยววันดีคืนดีพอเผ้อปับมันก็ป่วยไข้ขึ้นมาก็ได้เออตอนนั้นเราก็ควบคุมมันไม่ได้นะดนเราต้องดูว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้รามยศสระเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้ น, นลงล ง, ลงมาแล้วไปเกิดแล้วดับ ควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าอยากให้มันอยู่ไม่เปลี่ยนไม่ขึ้นไม่ลงเราก็จะทุกข์เนี่ยถ้าไม่อยากจะทุกข์ทุกข์ก็คือหนักอกหนักใจไม่สบายอกไม่สบายใจก็อย่าไปมีมันอย่าไปยุ่งกับมันอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบของใจดีกว่าเอมานั่งสมาธิแทนดีกว่าพออยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ก็ช่างหัวมันกลับมานั่งสมาธิดีกว่าเอ ทำใจให้สงบแล้วก็จะลืมเรื่องเขาไปพอจิตใจเราสงบแล้วเขาจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะเราไม่สนใจเสียแล้ว น, นี่คือเรื่องของปัญญาที่จะตามมาหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วถ้ายังไม่ได้สมาธิอย่าเพึ่งไปทางปัญญาเพราะไม่มีกำลังที่จะสามารถปล่อยวางได้นั่นเอง กำลังปล่อยวางคืออุเบกขาอุเบกขานี้เกิดจากการนั่งสมาธิว่าเวลานั่งสมาธิเราปล่อยวางเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยวางด้วยปัญญาเราปล่อยวางด้วยสติคือใช้สติหยุดคิดปรุงแต่งใจเราก็ปล่อยวางทุกอย่างได้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางราบยศสันรเสริญสุขได้พอเรามีความสุข จากการปล่อยวางแล้วต่อไปเราก็ใช้ปัญญามาสอนใจได้สอนให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะปล่อยได้ทุกครั้งที่เราอยากจะได้อะไรเราก็ใช้ปัญญาบอกว่าเป็นทุกข์นะสิ่งที่เราอยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันจะต้องหมดไปถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปเอามันมาปล่อยมันอยู่ของมันไป ถ้ามันมาเองก็ไม่เป็นไรรับไว้ได้แต่รับไว้ก็อย่าไปยึดอย่าไปติดเนี่ยเช่นใครก็อยากจะให้เข้าของเราก็รับไว้ได้แต่อย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะได้มาร้ดเดี๋ยวเขาอาจจะมาขอคืนก็ได้เ mm hmm. นืออาจจะถูกขโมยไปก็ได้า mm hmm. คนเราบางทีเปลี่ยนใจได้ให้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใจมาขอคืนก็มี mm hmm. ก็ต้องเตรียมตัวให้คืนเข้าไป mm hmm. ถ้ายอม ถ้ายอมให้มันไปไม่ยึดไม่ติดกับมันก็รับได้มีอะไรครให้อะไรมาก็รับได้รับแล้วก็อย่าไปพึ่งมันอย่าไปอาศาัยมันให้ความสุขกับเราก็แล้วกันรับไว้เป็นโดยมารยาทแล้วเราก็คิดเห็นว่ามันมีประโยชน์กับใครเราก็เอาไปให้เขาต่อไปก็ได้เป็นเหมือนกับเป็นสื่อเป็นคนกลางระหว่างผู้ให้กับผู้รับ คนที่มีความสุขภายในใจแล้วไม่ไม่ต้องการอะไรแต่บางทีอยู่ในโลกมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนคนบางทีเขาเห็นเราทำประโยชน์เขาก็อยากจะให้อะไรเราเขาให้มาเราก็รับไปแล้วเราก็พิจารณาด้วยเหตุผลว่าใครสมควรที่จะเอาสิ่งที่เ้าให้มานี้ไปทำประโยชน์ต่อก็ให้เขาไปต่อก็เท่านั้นเองแต่คนรับไม่ได้ไม่ได้ไม่เสีย ได้มาแล้วก็ให้เขาไปก็ไม่เสียเพราะไม่ได้คิดว่าได้ไม่ได้คิดว่าเสียเพียงแต่เป็นเป็นทางผ่านหรือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้รับกับผู้ให้ต่นนั้นเองสําหรับคนที่มีความสุขภายในใจแล้วคนที่ไม่มีความต้องการอะไรในโลกนี้แล้วอย่างพระพุทธเจ้าพาระอรหันต์นี้ท่านไม่ต้องการแต่ท่านก็ยังรับยังรับอะไรแล้วท่านก็ออกไปทําประโยชน์ต่อ ใช่ไพระสมัยอันนี้ท่านสร้างโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลก็เพราะว่าท่านเป็นผู้เชื่อมระหว่างผู้ให้กับผู้รับนันเอผู้ให้ก็ไม่อยากจะให้คนอื่นให้กับพระแล้วสบายใจมั่นใจกว่าให้กับคนอื่นกลัวจะไปให้กับโจอนกลัวให้แล้วจะไปไม่ถึงผู้รับก็เลยต้องให้พระพระก็เลยต้องรับแล้วก็ไปให้ผู้ที่รับที่ต้องการ ก็เนี่ยก็เลต้องรับไปแต่ท่านใจของท่านไม่ได้ไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่ท่านรับเป็นเหมือนใบบัวกับน้ำหยดน้ำบนใบบัวใบบัวจะไม่ได้ดูดซึมน้ำเข้าไปไม่เหมือนกับกระดาษซับกระดาษซึมนี่พอหยดน้ำเข้าไปบนกระดาษซับนี่มันดูดเป็นเนื้อเดียวเลยใจของผู้ที่ยังไม่มีความสุขภายในใจนี้จะดูด ได้อะไรมาจะดูดจะยึดจะติดทันทีจะหวงทันทีเวลาเสียเวลาต้องให้ไปก็เสียดดยเสียใจ น, นี่คือเรื่องของปัญญาที่จะทำให้ใจของเรานี่หยุดความอยากความต้องการต่างๆ หยุดการหาความอยากหาความสุขต่างๆภายในโลกนี้ให้อยู่กับความสุขภายในใจพอแล้วมีความสุขภายในใจพอแต่บางทีมันยังมีความหลงคอยหลอกคอยล่ออยู่เพราะเรายังไม่มีปัญญาที่จะมาแก้เราถึงต้องเอาเอาปัญญามาแก้ความหลงที่จะมาคอยหลอกให้เราไปหาความสุขภายนอกทั้งๆที่เราพบกับความสุขภายในแล้วก็ตามแต่พอออกจากสมาธิมาบางทีมันลืม เราพอความหลงมันมาหลอกว่าเอ้ยเอาเงินไหมมีคนจะให้เงินเอาไหมทําอย่างนี้เราจะได้เงินจะเอาไหมมันก็จะเอาทันทีแต่ถ้ามีปัญญามาแก้บอกให้เดี๋ยวก็ทุกเนะี่ยไปเอาเงินมาเนี้เวลาจะเอามันก็ไม่แน่นอนว่าจะได้หรือเปล่าเวลายังไม่ได้ก็วุ่นก็กระสับกระส่ายกระวนกระวายแล้ว สอนใจพอใจรู้ว่ากำลังไปหาความทุกข์ก็จะหยุดไม่เอาดีกว่าเฉยๆดีกว่าอยากได้อะไรก็เฉยๆดีกว่าได้มาแล้วเดี๋ยวต้องหนัก อ, อกหนักใจกับสิ่งที่ได้มาเวลาที่ยังไม่ได้ก็หนัก อ, อกหนักใจกับการรอรอมันเมื่อไหร่จะได้ทันทีเนาะเมื่อไหร่จะได้ทันทีมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มตน้นตั้งแต่เริ่มอยากก็ทุกข์แล้วได้มาก็ทุกข์ เพราะต้องดูแลรักษาแล้วเดี๋ยวก็ท้องทุกเวลามันจากไปในี่น่้ยพิจารณาอย่างนี้ด้วยปัญญาแล้วมันต่อไปมันจะไม่อยากได้อะไรมันก็จะต่อไปความอยากที่มาคอยหลอกล่อใจก็จะไม่สามารถหลอกได้เพราะมีปัญญารู้ทันว่ากำลังมาหลอกให้ไปหาความทุกข์ให้ไปหาความหนักคกหนักใจสู้อยู่กับอยู่ตัวเปล่าๆดีกว่าอยู่กับความว่างดีกว่า ต่อไปใจก็จะไม่ต้องมีอะไรอยู่กับว่าความว่างความสงบถ้าไม่มีความอยากแล้วใจจะสงบโดยอัตโนมัติไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ไม่ต้องใช้สติพุทธโธก็ได้เพราะตัวที่ทําให้ใจเราไม่สงบก็คือความอยากนี่ความอยากมันทําให้เราคิดคิดหาวิธีนะเพื่อหาสิ่งต่างๆพอเราไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่จะคิดไปหาอะไระ มันก็ไม่คิดมันก็เฉยๆอยู่เฉยๆไปคิดเท่าที่จําเป็นจะต้องคิดใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะสงบสบายไปตลอดนี่คือผลที่เกิดจากการฝึกสติเจริญสติแต่สติไม่ใช่เป็นตัวตัวเดียวที่จะทำให้ใจสงบไปตลอดเมื่อได้สติได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปก็ต้องเอาปัญญาสอนปัญญา ไอ้คอยเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์นะเพราะมันไม่เที่ยงเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้พอรู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้เมื่อไม่มีความอยากได้ใจก็จะไม่ไม่วุ่นวายไม่หนักอกหนักใจใจก็จะสงบไปตลอดเป็นนิพพานขึ้นมาคาว่า น, นิพพานก็คือใจที่สงบไปตลอดเป็นบรมมาสุขปรมังสุขขัง สุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดนี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เรามาฝึกสติกันมาศึกษาวิธีเจริญสติกันข้อสำคัญศึกษาแล้วต้องไปปฏิบัติกันเพราะการเรียนรู้อย่างเดียวยังไม่เป็นสติขึ้นมาสติจะเป็นขึ้นมาต่อเมื่อเราเอาไปฝึกฝนอบรมพอเราฝึกฝนอบรมต่อไปสติก็จะปรากฏขึ้นมาในใจ เวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบง่ายใจก็จะมีความสุขใจก็จะสามารถใช้ปัญญามาสอนใจให้เลิกหาความสุขในรูปแบบอื่นได้ให้อยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบเพียงอย่างเดียวก็พ อ, อก็ขอให้นำเอาไปปฏิบัติกันอยากขออนุมโมทนาให้พอ่ ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจชิตังปฏิต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาหราโสยะถามณิโชติ อาราโสยทาสัพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภววตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนศีริตสะนิจามุธาปจายโนจตารโหธมาวทานติอายุวันโสุขัง พาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บุ๊ k เข้ามาสามร้อยสาสิบเกูทูบหนึ่ง้อยหกสิบสี่ทางวิทยุออนไลน์สามสิบสามรับฟังอยู่ข้างบนเขาสามสิบหกคนรวมทั้งหมดเป็นห้าร้อยเจ็ดสิบสองครับ ทีนี้ใครอยากจะถามไหมมีอะไรอยากจะถามหรือเปล่าเดี๋ยวเอาเอาไมโครโฟนก็ให้พูดผ่านทางไมโครโฟนจะได้ยินเสียงคำถามาพูดใกล้ๆปากหน่อยนะเพราะไมค์มันไม่ไวค่ะข้าพเจ้าอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันมีคำถามพระอาจารย์คือว่าดิฉันนั่งสมาธิพอเข้าลึกไป มีช่วงหนึ่งจะผูดขึ้นมาว่าสัพเพธรรมาอนัตตาแล้วทีนี้ก็เลยว่าฉันไม่เข้าใจหรอกมันคืออะไรเขาก็บอกเอามองดูต้นไม้สิต้นไม้ก็เตี้ยลงเตี้ยลงแล้วก็เป็นสีดําอย่างนี้เจ้าค่ะมันเป็นสภาวะอะไรเจ้าค่ะก็ภาวะเพ้อเจอ้าภาวะอะไรแล้จะแม้จะนั่งสมาธิเราต้องการให้มันสงบ ทีนี้มันจะเพ้อเจ้อบ้างก็เป็นเรื่องของจิตบางทีมันก็เป็นธรรมบางทีมันก็เป็นเรื่องเพ้อเจอฉะนันต้องดูว่ามันเป็นประโยชน์ไหมเป็นธรรมหรือเปล่าทําให้เราหูตาสว่างขึ้นหรือเปล่าหรือทําให้เราอหลงหลายข้างใครหรือสงสัยถ้าสงสัยไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ช่างหัวมันแสดงว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับเรา ก็มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเดี๋ยวพูดก็เนี่ยแหะให้นั่งสมาธิไปพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันปรากฏอะไรขึ้นมาถ้ามันปรากฏก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธต่อไป ถ้านั่งสมาธิโดยไม่มีพุทโธหรือไม่มีการดูลมหายใจมันจะไม่สงบเนี่ยมันก็จะมีเรื่องแปลกๆโผลมาให้เราดูอออย่างที่อะไรโผล่ขึ้นมาแสดงว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิแล้วไม่นั่งแบบไม่มีสติกำกับใจแล้วถ้าอยากจะให้เกิดอุเบกขาเกิดความสงบก็ต้องมีพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปไเรื่อยๆหรือดูลมหายใจไปไเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไม่มี อ, อะไรควบคุม พอไม่มีควบคุมเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วของแปลกๆเหล่านี้ผีบ้างพรายทะเลมั่งอะไรมัง่งแล้วแต่แล้วก็ไปวุ่นวายไปหลงกับมันอันนี้ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเรื่องจิตผลิตปรุงแต่งขึ้นมาเองที่บางอย่างมันมันปรุงแต่งเรื่องที่มีประโยชน์ก็มีคือในอดีตมันอาจจะเคยมีปัญญาพอจิตสงบมันก็อาจจะปรุงแต่งปัญญาขึ้นมาให้เราเห็นก็ได้ ถ้ามันเห็นเรนนอนเป็นซากศพเนะี่ยดีพอต่อไปเราต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนั่นแหล ะ, ะเห็นนรนนอนเป็นซากศพว่าดีต่อไปเราเอาภาพซากศพนั้นมาพิจารณามาันจะเดินอยู่เรื่อยๆแาลว่าต่อไปร่างกายนี้จะต้องเป็นอย่างนี้เนาะถ้าอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์แต่ถ้ามีกองเงินกองทองโผล่ขึ้นมา น, นี่ไม่มีประโยชน์ เดี๋ยวมันจะทำให้เราโลภไปยิ่งจะนั่งร้อยเดี๋ยวไปซื้อหวยมั่งเดี๋ยวมันนั่งสมาธิมีกองเงินกองทองโผล่ขึ้นมาก็ต้องไปซื้อหวยแล้วเท่านั้นมันถึงจะมาเดี๋ยวก็หมดเนื้อหมดตัวการไปซื้อหวยนะเพรนั้นระวังเวลานั่งแล้วมีอะไรให้เห็นนี่ส่วนใหญ่มันไม่มีประโยชน์หรอกอย่าไปสนใจดีกว่าที่มีที่มันโผล่ขึ้นมาแสดงว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิแล้ว เรานั่งปูแต่งแล้วถ้านั่งสมาธิต้องมีพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือไม่ใช่นั้นก็ต้องดูลมลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆมันถึงจะนิ่งถึงจะสงบเป็นอุบเบกขาขึ้นมาได้มีไมทางนี้อยากจะถามอะไรไหมเปล่าไม่มีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวต้องเอาไมโครโฟนไปอาจารย์คะสมาธิกับฌานคืออันเดียวกันไหมคะก็คล้ายกันนะอาหารกับกับข้าวนี่ยอันเดียวกันหรอ่มันก็เป็นภาษาที่เราใช้แทนกันได้ความจริงความหมายมันก็ต่างกันนิดหน่อยสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของใจตั้งมั่นอยู่ในความสงบก็เป็นสมาธิฌานก็คือความสงบระดับต่างๆ่าอ ความสงบนี้ไม่มีระดับเดียวเนมี8ดระดับเก้าระดับด้วยกันสี่ระดับแรกเราเรียกว่ารูปปัจจานสี่ระดับหลังเรียกว่าอารูปปัจจานแล้วผ่านรูปอรูปปัจจานไปก็มีนิโรธสมาบัติอีกเนี่ยมีความสงบอยู่เก้าขั้นด้วยกันเป็นเหมือนเกียร์รถยนต์เกียร์รถยนต์ก็มีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ ความไวความเร็วของรถมันก็จะเปลี่ยนไปตามเกียร์ยิ่งเปลี่ยนเกียร์มันก็ยิ่งวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นใจก็เหมือนกันยิ่งเปลี่ยนฌานมันก็ยิ่งสงบขึ้นสงบขึ้นไปเรืเ่อยๆจนสงบเต็มที่เลยก็เรียกว่านิโรธสมาบัติเนี่ทั้งหมดนี้ก็เป็นสมาธิทั้งนั้นสมาธิในระดับไหนสมาธิในระดับรูปฌานสมาธิในระดับอรูปฌานสมาธิในระดับนิโรธสมาบัตินี่ ทั้งหมดนี้อยู่อยู่ในกลุ่มของสมาธิและทุกสิ่งต้องปฏิบัติเองใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีการมอบให้กันหรือว่าทําแทนกันมอบได้ก็ดีนีมอบได้ก็ดีไ่านั่งเฉยไม่ต้องมานั่งเรียนกันให้เสียเวลาอาขยันได้สมาธิมาเอาเอาไหมมอบให้เดี๋ยวนี้เลยอ๋อนั่งห้านาทีก็สงบได้ไม่ต้องเหนื่อยสอนด้วย คนเราชอบชอบรับชอบขอศาสนานี่เขาเรียกศาสนาธรรมไม่ใช่ศาสนาขอธรรมนี่ไม่ใช่ทอทงะธรรมนี่ทอทหารสารำ้ำศาสนาธรรมไม่ใช่ศาสนาขอแต่ต้องสอนก่อนสอนให้รู้จักวิธีธรรมย่มาฟังธรรมนี่ก็เพื่อมารู้จักวิธีธรมรมู้แล้วก็ต้องเอาไปทำ เหมือนกับมาเรียนทากับข้าวเนี่ยตอนนี้สามวิธีทำกับข้าวเช่นอะไรนึกไม่ออกพิซซ่าเอาแ <c oughs> ตนน่ในรู้ว่าพิซซ่าทำไงก็ต้องไปทาไปซื้ อ, อของมาทำซื้อแป้งซื้ออะไรต่างๆม า, าเดี๋ยวทำเสร็จมันก็จะได้ของขึ้นมาได้พิซซ่าขึ้นมามันไม่ได้เกิดจากการมาเรียน การเรียนนี้เรียนให้รู้ว่าวิธีทมที่ถูกต้องทำอย่างไรพอรู้แล้วเราก็ต้องเอาไปทำเองทำแล้วก็กินกินก็ต้องกินเองคนอื่นกินแทนไม่ได้เนะยคนอื่นกินเราก็ไม่อิ่มเนะเห็นไหมเข้าไหมเรากินแทนคุณหแล้วคุณจะอิ่มไมไม่อิ่มเนี่ยการปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิบัติแทนกันไม่ได้ต้องปฏิบัติกันเองถึงจะได้ผลสันติโกะเนี่ย ผู้ปฏิบัติจะเพ่งสัมผัสได้ด้วยตนเองอมีคำถามยังไหมแล้วมีมหสองคนนี้ไม่มีน ะ, ะ, ะเดี๋ยวาทางบ้านก็นแล้วกันคำถามจากคุณน้อยครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะดิฉันมีปัญหาในการนั่งสมาธิคือเริ่มแรก บริกรรมพุทโธได้สักพักก็จะเปลี่ยนเป็นกำหนดลมหายใจกลับไปกลับมารู้สึกสับสนมากค่ะจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะและจะทราบได้อย่างไรว่าวิธีไหนถูกกับจริตของตนเองก็ลองทั้งสองวิธีแต่แต่เพียงเอาเอ า, เอาผัดกันอย่าทำสลับกันไปสลับกันมาช่วงนี้จะพุทโธก็พุทโธให้มันไปตลอดรอดฟัง หรือถ้าช่วงนี้นั่งพุโทโธแล้วไม่สับก็ช่วงหน้าก็ลองดูลมหายใจดูเอนี่มันไม่ได้อยู่ที่พุโทโธหรืออยู่ที่ลมหายใจเรามันอยู่ที่สติมีหรือเปล่ามากกว่าไม่มีสติพุโทโธได้แป๊บแม่งก็หายไปละไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ละดูลมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ละเพระฉะนั้นมันอยู่ที่สติว่าสามารถที่จะควบคุมบังคับ ให้มันอยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าเท่านั้นส่วนสิ่งไหนที่เหมาะกับเราก็คือสิ่งไหนที่เราชอบอันนั้นน่ยมันคือเหมาะกับเราเพราะพุโทโธหรือลมหายใจนี้มันก็เป็นเหมือนอาหารฮเรากินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มันก็อิ่มเหมือนกันแหะแต่ทําไมเราถึงต้องเลือกกินนะเพราะเราชอบอาหารชนิดนี้มากกว่าอาหารชนิดนั้นมันก็เลย ทำให้เรามีความสุขจากการรับประทานอาหารชนิดนั้นชนิดนี้แต่ความอิ่มได้เหมือนกันถ้าต้องรับประทานอาหารที่ไม่ชอบมันก็อิ่มเหมือนกันแต่มันไม่สุขใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิบางทีเราต้องอยู่กับกรรมฐานที่เราไม่ชอบนี่มันก็ทําให้เราไม่ยอมอยู่กับมันไม่ยอมเกาะติดกับมันมันจะไปหาเรื่องอื่น เพราะฉนถ้ามันเป็นจะไปเกาะติดเรื่องไหนกันมันติดเป็นเรื่องๆไปอย่าให้มันติดกลับไปกลับมาพลิกไปพลิกมาเหมืนขี่ม้าแล้วคอยค่อยเปลี่ยนมา้าเวลาแข่งมา้ากอยเห็นคนเขาเปลี่ยนม้ากันปล่าระวังแข่งเขาก็ต้องขี่ตัวเดียวไปให้มันจนถึงจุดอจุดหลักชัไม่ใช่ม า, ข, มาขี่ม้าครึ่งทางแล้วเปลี่ยนมา้ากระโดดขึ้นอีกตัวหนึ่งนี่มันไม่ได้นะต้องเอาตัวใดตัวหนึ่ง แต่บางทีก็เปลี่ยนได้เฉพาะถ้ามันมีเหตุมีผลเช่นเวลาเริ่มต้นนี้จะดูลมนี่บางทีมันดูไม่ได้สติเรากำลังน้อยด้วยใจเราฟุ้งมากใจไม่ยอมดูลมเราก็อาจจะใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดอิติปิโสไปสักระยะหนึ่งจนรู้สึกว่าใจหายฟุง้งแล้วค่อยหันกลับมาดูลมต่ออย่างนี้ก็ได้เปลี่ยนได้ถ้ามีเหตุมีผลในการเปลี่ยน เหมือนกับการเปลี่ยนเกียร์รถเนี่ยเวลาจะขึ้นเขานี่ก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ต่ำใช่พอพอไปถึงที่ทราบแล้วเราก็เปลี่ยนเกียร์สูงได้ถ้าไม่เปลี่ยนเกียร์สูงมันก็วิ่งไปไม่วิ่งช้าวิ่งเร็วไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนไปตามโอกาสตามจังหวะหรืออย่างที่พูดถ้ามีเหตุการณ์อย่างอื่นมาทำให้ใจวุ่นวายก็ต้องใช้กรรมฐานมาแก้ความวุ่นวายก่อน ถ้ามีความโกรธก็ต้องใช้เมตตามาหยุดมันก่อนถ้ามีการมาลมก็ต้องใช้อสุภะมาหยุดมันก่อนถึงจะกลับมาเป็นปกติแล้วเราถึงจะได้มาดูลมหรือพุโทโธต่อไปได้คำถามจากคุณรักกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะโยมทำอาณาปานสติจนรู้สึกว่าลมหายใจมันหายมันเบา จนเหมือนมันลมหมดโยมต้องทำยังไงต่อคะออกจากสมาธิแล้วยังรู้สึกว่าลมหายใจมันไม่มีและรู้สึกเย็นๆโยมทำถูกไหมคะและต้องปฏิบัติต่ออย่างไรครับลมหมดไม่หมดไม่สำคัญหมดก็เลยว่ามันหมดไอ้ที่สำคัญก็อยู่ที่ว่าความคิดมันหมดหรือไม่หมดแต่มันยังคิดอยู่ก็ต้องหยุดมันอยา่าห้ามมันอย่าให้มันคิด จำคอยใช้สติหยุดความคิดถ้าไม่มีลมดูก็ดูความคิดพอจะคิดก็หยุดมันถ้ามันไม่หยุดก็อาจจะต้องใช้บริกรรมพุทโธถ้าไม่มีดมให้เราเห็นเราก็ใช้พุทโธหยุดมันต่อไปพยายามหยุดความคิดไปเรื่อยๆนั่งไปนานๆอย่าเพิ่งลุกนั่งไปจนกว่ามันจะนิ่งไม่คิดแล้วแล้วมีความสุขมันก็จะนั่งไปได้เรื่อยๆเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดอยไม่รู้สึกตัวอ่าถามต่อค่ะนรรสการค่ะหลวงพ่อหนูจะถามเรื่องสมาธิที่หนูกําลังฝึกฝนอยู่เป็นประจําคือหนูนั่งแล้วมีสภาวะที่หนูพุทโธพุทโธไปใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วลมมันเริ่มหางพอมันหางปุ๊บหนูก็พุทโธต่อไปเรื่อยๆที่นี้หนูมีความรู้สึกหนูเหมือนแคบลงหนูแคบลงหนูก็พุทโธพุทโธต่อไป นี่มันกลัวค่ะหลวงพ่อหนูเลยถอยออกมาเพราอตอนนี้แสดงว่าหนูยังสติหรือเปล่าจัะอ่ะก็ปรุงแต่งนะกลัวก็เกิดจากความคิดปุงแต่งแล้วก็ไปเชื่อมันทําไมต้องไปเชื่อมันด้วยมันนั่งเฉยเฉยมันมีอะไรน่ากลัวที่ตรงไหนก็พุโทโธต่อไปนี่อย่าหยุดพุดโทโธ นเดี๋ยวมันก็จะฟันฝ่าต่างสิ่งต่างๆที่มาหลอกมาล่อเราได้ขาพวกนี้เรียกว่ามายาเขาอยอ aya, อ่างนมายากิเลสสมานเนี่ยหรือมายามันจะมาคอยหลอกไม่ให้เรานั่งสมาธิามันจะดึงเราไปนั่งดูทีวีแทนอย่าไปสนใจไม่ต้องไปกลัวไม่มีอะไรน่ากลัว ถ้ามันน่ากลัวมันทําเราตายไปนานนั่นแหละอยู่ในใจเราตลอดเวลาไม่ใช่เหรออันนี้มันทํำให้เราได้เปล่าไม่อช่แล้วไปกลัวมันทำไมอมันจะยกกิเลสมันจะหลอกให้เราหยุดทําสมาธิเข้าใจไหมมันจะหาเรื่องหาเหตุออื พอกลวัวปั๊บก็เลยไม่ต้องทํา <l ake> <pain> เลิกทําะใช่ค่ะเจ้าค่ <c oughs> ตอนแรกมันก็เออหัวหมายถึงลมหายใจหนูแล้วหัวใจหนูวิความรู้สึกที่ทำไมพุดโธและวห่างห่างใจอ่ะสู้ต่อไปพุทโธที่นี่เหมือนตัวเองก็แคบลงไม่ถึงว่าอยู่เหมือนอยู่ในที่เหมือนอยู่ในอกอ่ะเจ้าค่ะก็มันแค่เป็นความรู้สึกนึกคิดแค่นั้นเองแล้วเป็นจริงก็เปล่ามันอย่างนี้ก็ดีไม่ต้องจะได้ลดน้ําหนักได้ แค่นี้ก็โง่แล้วถูกมันหลอกแค่นี้ก็เชื่อมันแล้ว <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> มันมีอะไรปรากฏก็มาแนนใจนี่มันเป็นมายาทั้งนั้นนะมันมาหลอกเราหลอกให้เรากลัวหลอกให้เราไม่อยากจะนั่ง อ, อย่าไปสนใจต้องรู้ทันมัน ม, มาหลอกกูอีกแล้วกูต้องพุโทโธต่ อ, อแต่ดังกูห่างจากพุโทโธแล้ว พอห่างจากพุทโธเมื่อไหร่ไปยุ่งกับมันเมื่อนั้นมันก็วุ่นวายขึ้นมาเมื่อนั้นนะเออฉันอย่าไปยุ่งกับมันให้ยุ่งอยู่กับพุทโธอย่างเดียวลมไม่ต้องดูก็ได้ถ้าพุทโธก็อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปนะอย่าหยุดพุทโธพอหยุดพุทโธไปฟังมันปั๊บก็เกิดความกลัวขึ้นมาเออถ้าไม่ฟังมันไม่สนใจมันก็จะไม่กลัวมันก็จะพุทโธพุทโธต่อไป เดียวมันก็จะวุบลงไปสงบลงไปได้คําำถามจากคุณอัตาหิอัตโนนาโถครับกราบเรียนถามพระอาจารย์พระอระหรันต์ท่านไม่มีความคิดปรุงแต่งหมายถึงขาดไปเลยใช่ไหมเช้าคะอ๋อไม่ขาดท่านก็มีพระพุทธเจ้าปานานเอาอะไรมาแสดงธรรมถ้าไปเอาความคิดปรุงแต่ง ที่ความคิดปรุงแต่งมันปรุงไปได้ทางธรรมก็ได้ทางกิเลสก็ได้พระลานนี่จะไม่คิดปรุงแต่งไปทางกิเลสจะไม่โลภไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญอะไรทํานองนี้แตปรุงแต่งแบบเหตุผลแสดงทำด้วยเหตุด้วยผลทําอย่างนี้จะได้อย่างนั้นทําบุญแล้วจะไปสวรรค์ทําบาปแล้วจะไปนรกอันนี้ก็เป็นความคิดปรุงแต่งแตเป็นความคิดปรุงแต่งที่เป็นวิชาการะ เป็นวิชาเป็นธรรมะเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ไม่รู้ที่สามารถที่จะเรียนรู้และนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้พระพุทธเจ้าต้องใช้ความคิดปรุงแต่งใช้ร่างกายเหมือนกันร่างกายของพระเจ้าขันห้าของพระพุทธเจ้ากับขนหน้าของพวกเรานี้เหมือนกัน ต่างตรงที่ตัวสังขารในความคิดปรุงแต่งสัญญาของเราไม่เหมือนกันเราจะประจําได้หมายรู้ว่าเป็นอัตเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นอะไรก็เป็นนิจจังสุขังอัตตาไปหมดแต่พระอนาคามท่านเห็นอะไรก็จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดเอสังขารของท่านก็เลยปรุงไปในทางไม่อยากพวกเรามันปรุงไปทางอยากพออะไรนิจจังสุขังก็อยากได้ใช่ไหมเท่านั้นเองต่างกันตรงนี้ ไหยก็ยังเป็นขันเหมือนกันเป็นขันห้าเหมือนกันอยู่ขันห้าที่บริสุทธิ์กับขันห้าที่ไม่บริสุทธิ์คำถามจากคุณพิมพรกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าขาเมื่อเช้านี้ตอนตื่นขึ้นมาลุกจากที่นอนฝ้าเพดานที่บ้านก็ตกลงมาหนึ่งแผ่นค่ะพอดีตกลงที่หัวนอนของหนูเลยค่ะ ถามว่าที่หนูลุกขึ้นจากที่นอนก่อนแล้วไม่ตกโดนหัวหนูอันนี้เป็นเพราะผลของบุญที่หนูได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีมาตลอดหนูถึงไม่โดนหัวหนูใช่ไหมเจ้าคะก็จะจะไปอธิบายอัิแปยงไงก็ได้นะ <c oughs> ความจริงเราไม่รู้หรอกมันเป็นเพราะอะไรก็ให้รู้ว่ายังไม่ยังไม่ถึงข่าวก็แล้วกัน ความจริงมันก็มีแค่นั้นน่ะแต่เราจะไปแปลว่าเป็นเพราะบุญก็ได้เป็นเพราะอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะแปลวความหมายถ้าเป็นบุญจริงมันก็ต้องไม่ตายซิวะเห็นไหมเดี๋ยวมันก็ตายก็มาโทษเป็นบาปสิมันไม่หรอกมันไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องบาปบุญบาปไม่มันทําให้เราทุกข์แล้วไม่ทุกข์เนี่ยผลที่มีกระทบบุญบุญกับบาปจ ะ, สะแสดงผลที่ใจเราสังหากถ้าใจเราทุกข์ก็สแสดงว่าบาปสแสดงผล ถ้าใจเราสุขก็แสดงว่าบุญเป็นแสดงผลมันไม่ใช่เหตุการณ์ต่างๆฝนฟ้าอากาศมันไม่เกี่ยวกับบุญกับบาปหรอกมันเป็นภาวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมอเอย่งั้นก็เถอว่ายังไม่ถึงคราวของเราก็แล้วกันเอออต้องคิดว่าตอบไปมันต้องมีสักวันจะต้องถูกแจ็คพอตแน่นอน <c oughs> <c oughs> บุญก็ทําบุญมาเท่าไหร่ก็ยับยั้งไม่ได้ดูพระพุทธเจ้าบุญเต็มหัวใจก็ยังต้องเจอแจ็คพอต เจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายอยู่ดีคำถามจากคุณเอเจมีสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งการปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่เพื่อให้ผ่านเรื่องกายเวทนาจิตธรรมตามลำดับสอดคล้องกับการบรรลุธรรมตามลำดับขั้นตั้งแต่โสดาบันถึงอรหัตตผลใช่หรือไม่คะ ใจสอดคล้องกับการเจริญสติสมาธิปัญญาสติปทานสี่นี้แสดงเป็นขั้นเป็นตอนขั้นแรกให้สุกสติเจริญสติแล้วก็ให้ไปนั่งสมาธิดำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วก็ให้มาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมตามลำดับไปแล้วปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิต พอปล่อยวางได้หมดจิตก็จะบรรุถึงนิพพานได้คำถามที่สองครับผู้ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณากายเวทนาแต่ข้ามไปดูจิตเลยสามารถทำได้ไหมเจ้าคะได้แต่ทำไม่ได้ผลเหมือนเด็กที่ยังไม่ได้เรียนอนุบาลไปเรียนป .5 อ, อย่างงี้เรียนได้ แต่เรียนไม่รู้เรื่องอยงอะไรนะไปพิจารณาจิตก็ทําอะไรไม่ได้ปล่อยวางจิตไม่ได้ถ้ากายยังปล่อยไม่ได้จะไปปล่อยจิตได้ยังไงจิตมันเร็วกว่าร้อยเท่าเอกายมันช้ากว่าจับมันง่ายกว่าไม่จับจะไปจับของที่มันเร็วกว่ามันไม่มีวันที่จะจับได้นั่นท่านถึงสอนเป็นขั้นนั่นจะมาทําไม่สอนจิตก่อนะจิตเมทนากาย ถ้ามันท่านต้องสอนกายเวทนาจิตก็เพราะว่ามันความยากง่ายมันต่างกันไงไหมกายมันง่ายกว่าเวทนาอเวทนามันง่ายกว่าจิตนะเะฉะนั้นมันเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนเรียนหนังสือทำไมต้องไปเริ่มต้นที่อนุบาลกันนะแม่ไปสมัครชั้นไหนก็ได้พอลูกโตจะเข้าโรงเรียนลูกอยากจะเรียนชั้นไหนแม่จะพาไปสมัครให้ ไม่ได้นอกยกเว้นคนที่ผ่านกายผ่านเวทนามาแล้วจากชาติก่อนสมมติบางทีชาติก่อนเป็นสวดสดบันมาแล้วผ่านกายผ่านเวทนามาแล้วเป็นอนณาคารีแล้วถ้าเข้าระดับจิตนี้เป็นอนณาคารีแล้วก็ไม่ต้องไปผ่านกายผ่านเวทนาแล้วเพราะปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาแล้วก็แปยังติดอยู่ที่จิตก็ต้องไปพิจารณาที่เราติดอยู่ แตาถ้ า, ายัางติดอยู่ทั้งสามที่เลยติดทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตก็ต้องไปปล่อยที่กายก่อนปล่อยที่กายแล้วถึงขึ้นไปปล่อยที่เวทนาปล่อยเวทนาแล้วถึงไปปล่อยที่จิตได้คำถามจากคุณไาม์กราบขอความรู้พระอาจารย์ครับผมเห็นวัดสํานักต่างๆหันมาสร้างพระพุทธรูป สมเด็จองประถมเป็นจำนวนมากอยากทราบว่าสมัยก่อนพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบูชาสมเด็จองประถมเช่นนี้หรือไม่อย่างไรครับออไม่หรอกพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้บูชาพระพุทธรูปมีคนเอาแกะสลักพระพุทธรูปมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกนี่ไม่ใช่เราอย่าไปบูชาอันนี้มั น, เ ป, นเป็นแค่วัตถุ อากจะบูชาเราต้องปฏิบัติปฏิบัติบูชาพระศาสนาพุทธที่สอนให้ปฏิบัติบูชาสมัยพุทธกาลนี้ไม่มีพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปนี่มาโผล่ที่หลังห้าหร้อยปีน้อพอดีมีอิทธิพลของพวกกรีกเข้าไปอินเดียพวกกรีกนี่ก็ชอบสร้างเทวรูปกัน พุธเราก็เลยเอาแบบเขาเขาสร้างเทวรูปเราก็เลยต้องสร้างพุทธรูปกันขึ้นมาเข้าใจไหมท่านนั้นเองแต่พระพุทธเจ้านี้ไม่สอนให้สร้างสิ่งเหล่านี้เพราะมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นของแท้ของจริงให้สร้างของจริงดีกว่าก็คือธรรมถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีดวงตาเห็นธรรม พอมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่จะเห็นตถาคตได้ต้องเห็นธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นตถาคตก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระอริยสงฆ์นั่นเองนี่คือหลักของการบูชาของพุทธศาสนาให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชา แต่สมัยนี้มันยากไงปฏิบัติบูชายากสู้เอเขาเรียกอมิตรบูชาดีกว่าสร้างพรพุทธรูปดีกว่ามีเงินก็สร้างพระพุทธรูปใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็คิดว่าตนเองได้ได้บูชาพระพุทธเจ้าแล้ะ แต่คุณชุติพรจชาบอกยังไม่ได้บูชาการบูชาแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงจะบูชาที่แท้จริงต้องปฏิบัติบูชาต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วนั่นะถึงจะได้ปฏิบัติบูชาอย่างแท้จริงคำถามจากคุณวรวรรณคนเราสามารถนั่งสมาธิโดยไม่ต้องนอนได้จริงหรือเปล่าเจ้าคะเคยคุยกับคนรู้จัก เขาสามารถนั่งได้ทั้งคืนโดยไม่นอนไม่ง่วงตอนนี้ตัวเองนั่งแต่ช่วงกลางวันอยากจะเพิ่มกลางคืนด้วยจะต้องนอนวันละกี่ชั่วโมงถึงจะเหมาะสมกับนับปฏิบัติเจ้าคะแต่ละคนมันมีกำลังไม่เหมือนกันไงถ้ามีกำลังสติมากนี่บางทีเขาถือในสัตชิกได้เจ็ดวันก็ได้คือไม่นอนเจ็ดวัน แต่คาว่าไม่นอนไม่ได้แสดงว่าไม่หลับนะหลับแต่ไม่ได้หลับในท่านอนเข้าใจไหมคือไม่อยากให้นอนมากไม่ให้หลับมากเกินให้หลับในท่านั่งแทนก็เลยถือในสัตชิกคาว่าในสัตชิกก็คือการถือสามวิริยบทคือเดินยืนกับนั่งไม่นอนพอนั่งพอนอนแล้วเดี๋ยวกลัวมันจะหลับนานกลัวจะเสียเวลาก็เลยไม่ไม่ไม่ยอมให้นอน นนั้นเองแต่ต้องนอนกันเพราะร่างกายมันไม่มันไม่ใช่จิตใจการนั่งสมาธินี้เป็นการฝึกจิตใจทำใจให้สงบให้จิตได้พักผ่อนแต่ร่างกายยังไม่ได้พักผ่อนร่างกายเวลาพักผ่อนต้องนอนต้องหลับมันถึงจะได้พักผ่อนยังต้องหลับโดยปกติถ้าแบบธรรมดาทั่วไปนะของพระปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ให้นอนคืนละสี่ชั่วโมง ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองเป็นเวลานอนของพระปฏิบัติหรือถ้าจะขยับหน่อยก็ได้เปห้าทุ่มเป็นตีห้าทุ่มเป็นตีสามก็ได้แต่ก็ให้อยู่ประมาณสี่ชั่วโมงแล้วถ้ากลางวันรู้สึกเพลียเหนื่อยหรือว่าง่วงก็ให้พักหนึ่งชั่วโมงได้ช่วงกลางวันอันนี้ก็เป็นการพักผ่อนหลับนอนของพระปฏิบัติโดยทั่วไป เป็นอย่างนี้ไม่เกินห้าชั่วโมงต่อวันแต่ร่างกายต้องพักผ่อนร่างกายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจิตใจพระพุทธเจ้าก็ยังต้องนอนพระหลานทั้งหลายก็ต้องนอนเหมือนกันเอแต่ว่าถ้านอนน้อยไม่นอนเหมือนพวกเราแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงบางทีตั้ง น, นาฬิกาปลุกยัง ม, มีให้มันเตือนสองอจังหวะปลุกแรกจึนยังไม่ยอมลุกต้งให้มันปลุกครั้งที่สองมันถึงจะลุกขึ้นมา นี่คือกิเลสเขาใจมัหยอยากนอนอยากเพราะเป็นความสุขแบบหนึ่งของกิเลสเนี่ยคำถามจากคุณสุธิมากราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะจิตใจนี้เป็นทุกข์ง่ายด้วยสังเกตว่าในแต่ละวันมีหลุดบ่อยพร้อมพุโทโธให้ไม่เผลอจิตก็เผลอบ่อยและเมื่อเผลอออกไปใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมา เมื่อเรามีความตั้งใจในการปฏิบัติมากจะเห็นทุกชัดขึ้นใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เจ้าคะใช่เพราะว่าสติเป็นการดึงใจให้กลับเข้ามาดูใจนั่นเองธรรมดาเราไม่ค่อยดูใจเราเราจะดูคนนั้นคนนี้แล้วเราไปทุกข์กับเขาโดยไม่รู้สึกตัวว่าเราทุกข์เนี่ยแต่ถ้าเรามีสติเราจะดึงใจกลับเข้ามาดูที่ใจเรา พอเผอปั๊บพอไปอยากปบนี่ใจทุกขขึ้นมาทันทีเราก็จะเห็นขึ้นมาทันทีนี่หละการจะเห็นอริยสัจได้ก็ต้องมีสติดึงใจเข้าข้างในเพราะอริยสัจสีอยู่ข้างในอริยสัจสีนี่คือธรรมที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราเห็นกันมีดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์ พอเมื่อเห็นทุกข์มันก็จะไปค้นหาเหตุของทุกข์ต่อไปมันก็จะเจอว่ามันเกิดจากตัณหาความอยากของเรานี่เองเพอรู้ว่าเกิดจากความอยากก็เลิอกอยากก็ใช้ไตรลักมาหยุดมันเห็นอะไรอยากได้อะไรก็มองว่าเป็นไตรลักไม่อยากไม่ได้มันไม่มนไปตามความต้องการของเราเสมอไป ที่ทุกข์เพราะอยากแล้วไม่ได้ก็อย่าไปอยากมันก็หมดเรื่องพอไม่อยากมันก็ไม่ทุกข์ก็ปล่อยเขาไปเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทาไปเขาอยากจะได้อะไรถ้าก็เอาไปได้ก็เอาไปอถ้าเรายังรักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปคําถามจากคุณเชอรี่รบควรสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะโจรงัดบ้าน ใจหนึ่งไม่อยากเอาเรื่องเราคงเคยไปขโมยมันมาก่อนแต่คิดอีกทีเท่ากับปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลถ้าเราไม่แจ้งจับเข้าตารางเหมือนเราเป็นไทยเฉยไม่ช่วยกันแก้ปัญหาสังคมรู้สึกสับสนระหว่างการให้อภัยเป็นคนดีไม่ตอบโต้ แต่ก็ดูไม่สนใจสังคมอยู่ในที่เพราะเราปล่อยผ่านไปคนอื่นอาจต้องเดือดร้อนเพราะคนนี้ไปงัดบ้านขโมยซ้ำซากอีกหรือควรวางเฉยคิดว่าเหยื่ อ, อรายต่อไปคงเคยขโมยเขาไว้เหมือนกันศา ส, สนาพุทธวางแนวทางการตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างไรเจ้าคะก็วางว่าทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็อย่าทำ ทำแล้วก็ต้องยินดีที่จะรับกับผลที่เกิดจากการกระทาเช่นไปแจ้งความมันถูกจับติดคุกมนา จ, จ า, าร่าฆ่าปยาบาทเรากลับมามันก็จะมาป้นออกจากคุกมาใหม่มันอาจจะมาป้นใหม่อันนี้ก็แล้วแต่ทำได้อยากจะทำก็ทำไม่อยากจะทำก็ไม่ต้องทำได้ทั้งสองอย่างถ้าทำได้ก็ทำไปทำแล้วก็ต้องยินดีรับกับผลที่จะตามมาต่อไป คำถามจากคุณสุที่มากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะนั่งภาวนาความคิดออกนอกรู้ตัวสติพุทโธขึ้นแทรกคำพูดความคิดที่กำลังทำงานกระเด็นออกไปเลยเจ้าค่ะและก็คอยพยายามไม่คิดอะไรในหัวอีกเจ้าค่ะ อย่างนี้สติเริ่มจะมีกำลังขึ้นแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะถ้าหยุดความคิดได้ก็สติก็เริ่มมีกำลังแพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะหยุดปุ๊บได้เลยพอคิดรายปุ๊บก็หยุดมันปั๊บได้เลยคำถามจากคุณอมรเทพกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการใช้เมตตามาระงับความโกรธ ต้องวางจิตเป็นเมตตาโดยการคิดหรือต้องทาอย่างไรขอรับก็ต้องทำไงทถ้าใจโกรธก็ต้องหยุดความโกรธโดยการให้อภัยเรามักจะหายโกรธ ถ, ถ้าให้อภัยไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ปัญญามาทำให้ใจหายโกรธทำไงถึงจะหายโกรธเราก็มองคนที่มาทำให้เรากร i ว่าเป็นเหมือนเด็กทารกไปก็แล้วกันเรามักเราก o เด็กทารกหม เวลาเด็กทำอะไรเสียหายเราก็ไม่โกรธเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ประสีภาษาเราก็คิดว่าคนถึงแม้ร่างกายจะมีอายุมากแต่ใจก็อาจจะเป็นทารกอยู่ไม่รู้ประสีภาษาอย่าไปถือสามันเลยมือนเหมือนคนบ้าคนไม่มีสติถ้าคิดอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธเขาได้ถ้าให้อภัยไม่เป็นก็ลองใช้ปัญญาดูหรือจะคิดแบบว่ามันอาจจะเป็นกรรมของเรา เราไปทำกรรมมาตอนนี้กำลังรับวิบากของกรรมอยู่ก็รับไปอย่าไปโกรธคนที่เขามาเอากรรมมาให้เรามาเอาวิบากมาให้เราเขาเป็นเพียงเป็นเหมือนกับเป็นผู้ส่งของอย่าไปเกลียดโกรธคนที่ส่งของมาให้เราเขามาส่งของแล้วเขาก็ไปแล้วก็ปล่อยเขาไปแล้วก็รับของไว้รับกรรมของเราไปอย่างนี้ก็อาจจะหายโกรธได้ เรือมองว่าความโกรธไม่ดีความโกรธเหมือนกับเอาค้อนมาทุบศรีรษะเราเนี่ยใช่ไหมใครเจ็บล่ะคนที่เราโกรธเรื่องเราเราเราเป็นคนเจ็บทุกครั้งที่เราโกรธครานี้เขาเขาเจ็บรึเปล่าเราไม่เจ็บหรอกเร า, าเจ็บทุกครั้งที่เราค้อนมาทุบศรีรษะเราคนอื่นเขาเจ็บรึเปล่าไม่เจ็บใช่ไหมเรา่เจ็บยังอย่าเอาค้อนมาทุบศรีรษะอย่าโกรธคิดอย่างนี้ก็ได้มีหลายวิธีให้คิดเนี่ย แล้วเราก็จะบอกว่าเราบ้าเนี่ยว่ะเนี่ยคนโกรธคือคนบ้าคนโมโหคือคนคนเมาเนี่ยก็มีคําพูดอย่างงี้อย่าเราต้องมีสติมีปัญญาแล้วเราก็จะเห็นโทษของความโกรธว่ามันเป็นภัยกับเราไม่ได้เป็นภัยกับคนอื่นเราเนี่ยแหละเป็นผู้ที่กินไม่ได้นอนไม่หลับคนที่เราโกรธนี่เขานอนครอกคลอกคลอกแต่เราโกรธก็พยาบาทเขานี่นอนไม่หลับกินไม่กินไม่ได้ คำถามจากคุณพันทิพย์กราบเรียนถามค่ะได้เริ่มถือศีลแปดครั้งแรกช่วงตอนเข้าปรรษาและด้วยสวดมนต์ถูกบ้างผิดบ้างตามไม่ค่อยทันเราจะเป็นบาปไหมคะไม่บาปหรอกก็เรายังเป็นผู้เริ่มใหม่ล้วก็หัดสวดไปเรื่อยๆต่อไปเราก็ทันก็เอง เหมือนเด็กหัดใหม่มือใหม่หัดขับจะขับแบบมือที่ชำนาญไม่ได้มันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำบาปเป็นการฝึกฝนอบรมก็เหมือนกับเด็กที่ยังเดินไม่ได้ก็ต้องคานไปก่อนต่อไปเดินได้ก็เดินทันต่อไปก็ไปกับเขาได้คําคำถามจากคุณวีรพงษ์ท่านพระอาจารย์ครับ สัตว์นรกนี้สามารถรับบุญกุศลได้ไหมครับหรือว่ารับได้แต่พวกเปรตครับก็มีพวกเปรตพวกเดียวที่รับบุญกุศลได้พบอื่นชาติอื่นนี่เขาไม่ต้องเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะรับบุญนันนกก็รับไม่ได้อสุรกายก็ไม่รับเดชาชานก็ไม่รับมนุษย์ก็ไม่รับเทวดาก็ไม่รับมีเปรตทานั้นเพราะเปตทานั้นที่มารอรับ นนั้นเขาไม่มารอรับกันคำถามจากคุณกุณลพัศรสกราบเรียนพระอาจารย์นั่งสมาธิเปิดตาเราควรเอาสายตามองไว้ที่จุดใดเพราะว่ามันมองไปเรื่อยเลยค่ะก็ปิดเสรก็ไม่นั่งเปิดตาแล้หรอกนั่งสมาธิเพื่อจะดึงใจให้เข้าข้างในถ้าเปิดตามันก็ส่งใจออกข้างนอกถ้าส่งออกข้างนอกมันก็จะไม่สงบ เป็ปิดตาซะไม่มีอะไรหรอกปิดตากับดืมตามันก็เหมือนกันนะบางคนกลัวปิดตากลัวความมืดแล้วเวลานอนหลับทําไมปิดตาได้ใช่ไหมเวลานอนหลับดืมตาแล้วปะก็ปิดตาใช่ไหมนั่งสมาธิก็ปิดตาเถอดแล้วจะสบายจะไม่จะไม่วุ่นวายกับภาพที่เราเห็นนั่งหลับตาแล้วสบายปิดหูปิดตาปิด ปิดเขาเรียกปิดทวาลทั้งห้างเวลานั่งสมาธิต้องสำรวมเอ็นซีตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงจะเข้าข้างในได้ถึงจะสงบได้คำถามจากคุณระพีพัฒกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิแล้วไม่เห็นกายลมหายใจเบามากแทบไม่มีลมไม่มีความคิดอยู่ในความสงบ เรียนถามพระอาจารย์ว่าจะทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็ดูไปเรื่อยๆมันยังไม่สงบเต็มที่เดี๋ยวสงบเต็มที่มันจะวุบลงไปแล้วก็นิ่งแ้ตอนนั้นไม่ต้องทำอะไรอีกเหมือนกันมันก็จะสักแต่ว่ารู้ไปก็ให้รู้ไปรูล้ลมว่าเป็นอย่างนี้รู้ว่าไม่มีความคิดถ้ารู้ถ้าเริ่มคิดก็หยุดมันถ้าลมมีดูก็ดูไปไม่มีดูก็ดูความว่างไปแทน คำถามจากคุณปุ้มปุ้ยท่านอาจารย์เจ้าคะในการฝึกกรรมฐานด่านเวทนาผ่านด้วยการกําหนดตามสภาวะที่เกิดและคําภาวนาอย่างเดียวใช่ไหมเจ้าคะก็มีสองวิธีวิธีคําผ่านเวทนาก็ให้อยู่กับคำภาวนาเช่นพุโทโธพุธโทโธไปถ้าใจเกาติดกับพุโทโธมันจะไม่ทรมานใจ มันก็จะผ่านเวทนาได้ถ้าไม่อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับเวทนาเดี๋ยวมันก็เกิดความอยากให้เวทนาหายพอเกิดความอยากขึ้นมาความทรมานใจก็จะเกิดขึ้นมา เวลาเกิดเวทนาถ้าอยากจะนั่งต่อไปก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทธไปเรื่อยๆอย่าหยุดเดี๋ยวมันก็จะวุบลงไปแล้วก็จะจิต ก, ก็จะสงบแล้วก็ถึงแม้เวทนาจะไม่หายไปก็ไม่เดือดร้อนจะอยู่กับมันได้คำถามจากคุณบดินพระอาจารย์ครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า ถ้ามาปฏิบัติธรรมฟังธรรมหรือนั่งสมาธิจะสามารถบรรเทาอาการให้ดีขึ้นได้บ้างหรือเปล่าครับได้แต่มันคงจะยากเพราะคนซึมเศร้านี้ไม่มีสติสตังถึงซึมเศร้าเพราะเกิดความอยากหลุ่มเล้าจิตใจอ ย, อยากนู่นอยากนี่แล้วไม่ได้ก็ซึมเศร้าฉะนั้สติมีน้อยมากจะมีกําลังที่จะมานั่งฟังธรรมได้หรือเปล่าเราจะเข้าใจหรือเปล่า ฟังแล้วต้องเข้าใจเข้าใจแล้วยังต้องไปปฏิบัติเองคือก็ต้องไปเจรานสติไปดึงสติกลับมาตอนนี้ไม่มีสติสตังเลยมีแต่ความอยากอยู่ตลอดเวลาอันนี้ทำไดแ้แต่จะได้หรือไม่อยู่ที่ความพยายามของผู้ที่เป็นปัญหาถ้ารู้ว่าปัญหาของตนคือความอยากความไม่มีสติอันนี้ก็จะช่วยได้มาก ถ้ารู้ว่าอันนี้คือเป็นปัญหาและ ว, วิธีก้าก็คือต้องหยุดความอยากต้องพยายามฝึกสติให้เกิดขึ้นมาให้ได้ถ้าเขารู้อย่างนี้ก็มีโอกาสแต่ถ้าเขาไม่รู้แล้วเขาไม่รู้มาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่ออะไรฟังแล้วได้ได้อะไรฟังแล้วจะต้องไปทำอะไรต่อหรือไม่ถ้าไม่รู้ฟังไปก็ไม่รู้เรื่อ ง, องนั้นก็ต้องเขาต้องมีพื้นฐานมาก่อน การที่เราจะมาฟังเทศฟังธรรมนี่เราต้องมีความเข้าใจมาก่อนว่าเราฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อความรู้ความเข้าใจในการที่จะมาควบคุมรักษาใจของเรานี่คือเป้าหมายของการฟังธรรมฟังเพื่อให้รู้วิธีการควบคุมใจให้ใจสงบให้ใจมีความสุขเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องเอาไปปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งเราถึงจะได้ผลขึ้นมาวันนั้นนะคำถามอ่าอาสุดท้าย คำถามจากคุณทัศนีกราบนมัสการพระอาจารย์มีเพื่อนบอกหนูว่าเขามีญาติได้เป็นโสดาบันแต่ญาติเขาชอบว่าว่าเขาอารมณ์ไม่นิ่งหนูคิดว่าไม่น่าจะได้โสดาบันค่ะ<ฮ>เพราะผู้ที่จะได้โสดาบันต้องมีศีลห้าครบและได้ธรรมจักสุเป็นพระโสดาบันอารมณ์ต้องคงที่ ครับมีคำถามเนี่ยครับก็อย่าไปสนใจเลยเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาขอให้เราเป็นดีกว่ามาดูตัวเราดีกว่าว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นจริงแล้วไม่เป็นจริงอย่าไปเสียเวลาไปพิสูจน์ใดมาพิสูจน์ตัวเราดีกว่าตอนนี้เราเป็นหรือเปล่าไม่เป็นเราก็มาทําให้เป็นดีกว่าอ่านั้นะะนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา